เช่นความชอบความชังความติดใจและความขัดใจเป็นต้นไม่ถูกบังคับหรือชักจูงโดยกิเลสเหล่านั้นให้มองเห็นหรือรับรู้สิ่งต่างต่า ง, างอย่างบิดเบือนจนพาความคิดและการกระทาที่ติดตามมาให้หันเหเฉไปและไม่ต้องเจ็บปวดหรือเร่าร้อนเพราะถูกบีบคั้นหรือต่อสู้กับกิเลสเหล่านั้นญาณและวิ ช, ชาจึงเป็นจุดมุ่งของวิปัสสนา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 นำไปสู่ฌานวิปัสสนานำไปสู่ญาณที่พูดว่าสมถะอาจให้ได้อภิญญาห้าซึ่งได้แก่ญาณต่างๆพวกหนึ่งนั้นความจริงก็ต้องให้ได้ฌานก่อนและจึงน้อมจิตที่เป็นสมาธิพร้อมดีด้วยกําลังฌานนั้นไปเพื่อญาณจําพวกอภิญญาอีกต่อหนึ่งถ้าพูดให้เคร่งครัดจึงต้องว่าสมถะล้วนๆจบหรือสิ้นสุดลงเพียงแค่ฌาน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 แต่ผู้ปฏิบัติวิปัสนาต้องอาศัยสมถะไม่มากก็น้อยคืออาจจะเจริญสมถะจนได้ฌานสมาบัติก่อนแล้วจึงก้าวต่อไปสู่วิปัสนาคือเอาฌานเป็นบาตของวิปัสนาเรียกว่าเจริญวิปัสนาที่มีฌานเป็นบาทก็ได้อาจเริ่มเจริญวิปัสนาไปก่อนแล้วจึงจเจริญสมถะตามหลังก็ได้หรืออา จ, จเจริญทั้งสมถะและวิปัสนาควบคู่กันไปก็ได้แม้แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่า สุทธวิปัสนาญานิกคือเจริญแต่วิปัสนาอย่างเดียวล้วนไม่อาศัยสมถะเลยก็หมายถึงไม่อาศัยสมถะในความหมายโดยนิ ป, ปริยายหรือความหมายเฉพาะที่เคร่งครัดคือไม่ได้ทําสมถะจนได้ฌานสมาบัติก่อนเจริญวิปัสนาแต่ตามความเป็นจริงก็อาศัยสมถะในความหมายอย่าง ก, กว้างๆคืออาศัยสมาธินั่นเองสมาธิของผู้เจริญวิปัสนาแบบนี้อาจเริ่มต้นด้วยคณิกะสมาธิ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 เจโตวิมุตตของพระโคติกะและฌานสมาบัติของพระพิสุสามเณรฤสีและครือหัดบางท่านที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาในคำพีต่างๆฌานสมาบัติและอภิญญาที่เกิดจากสมถะ น, นั้นเป็นของมีมาก่อนพุทธกาลเช่นอาลาระดาบทกาลามโคดได้ถึงอรูปฌานที่สอุตตะดาบทรามบุตรได้ถึงอรูปฌานที่สี่เป็นต้น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 ซึ่งเป็นคัมพีชั้นดีกาไขาความว่าพระอนาคามีย่อมเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งที่ตรงกับชั้นแห่งฌานที่ตนได้กฎมีเพียงว่าพระอนาคามีเท่านั้นเกิดได้ในสุทธาวาดจัดสุทธาวาเป็นพบระดับจะตุตฌานคือรูปฌานที่สทําให้น่าสงสัยว่าพระอนาคามีที่ปฏิบัติมาแบบสุทธาวิปัสสนาญาณิก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 บาลีฝ่ายพระสูตรที่ทุติยชาณสูตรอังคุตรานิกายจตุกนิบาตแสดงว่าผู้ได้ปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างตติยฌานบ้างจะตุตฌานบ้างเมื่อเป็นอนาคามีแล้วล้วนอุบัติในสุทธาว่าทั้งนั้นในกรณีนี้อัตถกถาก็ไขความออกไปอีกว่าพระอนาคามีเหล่านั้นจเจริญจตุตฌานได้แล้วจึงอุบัติ ความที่ชี้แจงต่อ น, นี้ยังสัมพันธ์กับเรื่องเจโตวิมุตตและปัญญาวิมุตตที่จะกล่าวต่อไปอีก